มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาอุ ป, ปมากถาปัญหากุมภวัคที่เจ็ดองแห่งหม้อประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินสาขละราชมีพระราชองค์การประภพาดถามว่าพันเตนาฆาเสนค่าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ปรีชาเฉลิมป ร, ราดพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าองค์อันหนึ่งแห่งหม้อน้ำนั้นประการใดพระนาคเซน จ, จิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอคัครกษัตริย์อันประเสริฐกุ้มโพนามะชื่อว่าหม้อถ้าใส่น้ำเปียมปากแล้วณนะสัธยติถึงคนจะเคาะก็ไม่ได้กระทาเสียงกึกก้อง ยถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าเมื่อมีพระบารมีในพระไตรปิฎกและพระโลกุตระธรรมสำเร็จแล้วจะได้ประกาศอ้างอวดถึงไปหามิได้จะได้เห็นแก่ลาบสการะอันเกิดแต่พระไตรปิฎกและพระโลกุตระธรรมนั้นก็หามิได้จะได้มีมานะถือว่าอตมารู้ก็หามิได้กำจัดเสียซึ่งมานะ และความกระด้างให้สิ้นจากสันดานมีจิตเป็นอุชุภูตามิได้อวดอ้างตนอื้ออึงไปดุดหม้ออันเปลี่ยมไปด้วยน้ำอันมิได้กระทําเสียงฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งหม้อยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสัพพันธ์อยู่บรมครูเจ้าตรัสไว้ว่ายทูนางตังสัทธะยติยังปูรังสันตะเมวตัง อัฏฐกุมโพปโมพาโลระหะทัทโภปโรวะปันดิโตมีความว่าหม้อใบใดบกพร่องมิได้ใส่น้ำให้เต็มหม้อใบนั้นแลมีเสียงมีดก้องนักหม้อใดใส่น้ำไว้เต็มหม้อใบนั้นย่อมเงียบเสียงสงบอยู่คนอันธพาลท่านกล่าวไว้ว่าดุดหม้ออันมีน้ำได้ครึ่งหนึ่งย่อมจะมีเสียงสนันลั่นไปส่วนว่านักประหาดนั้นใส ดุดหม้อน้ำอันเต็มจะได้อวดอ้างคุยโอ oh, หามิได้ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งกาลักน้ำสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐอันว่าองค์สองแห่งกาลักน้ำนั้นประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาว่า มหาราชะดุราณะบพิธพระราชสมภารผู้ประเสริฐกาลายโสนามะชื่ออันวากาลักน้ำนั้นสุปิโตย่อมดูดอุทกังขึ้นมายะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงดูดดื่มซึ่งฉันทะอัทยาใสนำไปด้วยโยนิโสมณสิการดูดกาลักน้ำฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งกาลักษ์น้ำเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรกาลายโสธรรมดาว่ากาลักษ์น้ำนั้นบุคคลดูดเข้าทีเดียวแล้วก็ดูดน้ำนั้นมากไปจะได้ขายน้ำเสียหามิได้ยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้า ยิ่งปรส า, าสาสะทธาเลื่อมใสว่าอุลาโรพุทโธคุณแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าอุลานเลิศยิ่งสวาขาโตธรรมโมอันหนึ่งคุณแห่งพระธรรมนั้นสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าตรเทศนาเป็นอันดีสุปฏิปันโนสังโคและพระอริยสงสงคุณคือปฏิบัติอันดีดังนี้แล้วทรงปัญญาพิจารณาไปว่า รูปังอันว่ารูปธรรมในกายนี้อนิจจังไม่เทียงเวทนาอันว่าเวทนาอานิจจาไม่เทียงสัญญาก็ไม่เทียงสังขารก็ไม่เทียงวิญญาณก็ไม่เทียงครั้นเห็นดังนี้แล้วก็ไม่ได้กลับกรอกดุดกาลักน้ำอันบุคคลดูดทีเดียวแล้วก็ดูดน้ำได้ร่ำไปฉะนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งกาลักน้ำคำรบสองยุติด้วยพระพุทธดีกาที่ตรัสพระธรรมเทศนาไว้ว่าพัสนนำหิปุริโสธิโรนโรอริยธรรมเมนิยโตวิเศษคูณนะปเวทติอเนกภาคาโสสัพพโตจะมุขภาวาตเทวโสแปลว่าบุรุษที่เป็นนักปราชเที่ยงในอริยธรรมถึงซึ่งธรรมวิเศษ มิได้หวาดไหวโดยอเนกภาคด้วยประการทั้งปวงเพราะชำระตนให้หมดจดสะอาดโดยรอบในอริยทัศนธรรมฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็ยังคุณธรรมให้วิเศษและมิได้วันไหวเหมือนอย่างนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งฉัดสามประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชาองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาเฉลิมประหาดอันว่าองค์สามแห่งฉัตรนั้นประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐฉัตรตังนามะธรรมดาว่าฉัตรบุคคลย่อมกั้นไว้เหนือศีษะยะถามีขรุวนาชันใด พระโยคาวาจรเจ้าก็พึงปฏิบัติจิตในเบื้องบนแห่งกิเลสดุดฉัดฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งฉัดเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาฉัดย่อมอุปธรรมในเบื้องบนศีรษะให้ร่มสบายยะถาฉันใดฝ่ายพระโยคาวาจรเจ้า ก็พึงอุปถัมภ์แกโยนิโสมนสิการะปัญญาดังฉัดฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งฉัดคำรบสองปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิทธพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าฉัดนั้นย่อมกลางกั้นซึ่งแดดและฝนได้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้า พึงตั้งอารมณ์กำจัดเสียซึ่งกิเลสคือเพลิงสามประการอย่าพึงถือตามถ้อยคำสมณะพรามนาจารย์ที่หนาไปด้วยทิฏฐิมีประการต่างๆและมีวาทะต่างๆฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งฉัดคำรบสามยุติด้วยคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจ้ากล่าวไว้ว่ายะถาปิฉตังวิปุลังอจิตังธีระสังหิตัง วาตาตะปังนิวาเรติมหตีเมฆวุทธิโยตเทวพุทธปุตโตปิศีลฉัตตะธโรสุจิกิเลสะอุทิงวาเรติสันตาปังติวิทัคขยโยแปลความตามพระคาถาว่าฉัตตังอันวัชัดคือร่มวิปุลังภัยบูลอัดฉิตทางหาช่องทะลุไม่ได้ ทิระสังหิตังถือกั้นไว้มั่นคงวาตาตปังนิวาเรติอาจกั้นลมและแดดและฝนเป็นอันมากได้ยะถาฉันใดพุทธบุตรโตปิแม้อันว่าพระพุทธบุตรสุจิมีจิตสะอาดเป็นกุศลศีละฉัตตะทโรทรงไว้ซึ่งฉัตคือศีลวาเรติกั้นเสียกิเลสอุทิงซึ่งฝนคือกิเลส วาเรติกั้นเสียสันตาปังติวิทักขโยให้ดับเสียซึ่งความร้อนกล่าวคือเพลิงสามประการดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งหนาสามประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาขาเสนะข้าแต่พระนาขาเสนผู้ปรีชาอันว่าองสามแห่งหนานั้นเป็นประการใด พนาคเสณวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่านานั้นต้องประกอบด้วยเหมืองบุคคลได้อาศัยวิทน้ำไปแต่เหมืองนั้นเลี้ยงต้นข้าวให้งอกงามยะถามีขรุว่านาชันใดพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติสุจริตก็ต้องประกอบด้วยเหมือง คือวะัตตะปฏิบัติฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนาเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภาร น, นานั้นบุคคลย่อมยกคันสำหรับให้กู้และกักน้ำไว้เลี้ยงต้นข้าวยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็ต้องประกอบด้วยคัน คือศีลสำหรับให้รักษาสมณะธรรมถือเอาซึ่งพระสามัญญผลสี่ดุดคันนาฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนาคำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐธรรมดาว่านาย่อมยังเจ้าของให้ได้ชุ่มชื่นถึงพืชจะหวานลงน้อยก็ให้ผลมาก หวานลงมากก็ให้ผลมากยิ่งยิ่งขึ้นไปยะถาชั้นใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงให้ผลภัยบูนแก่ทายกพึงยังความยินดีแห่งทายกให้บังเกิดถึงจะให้น้อยก็ได้ผลมากเมื่อทายกให้มากก็ได้ผลมากยิ่งยิ่งขึ้นไปดุจเนื้นาดีฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนาคำรบสาม ยุติด้วยคําอันพระอุบาลีวินัยทรกล่าวไว้ว่าเขตูปเมนะภวิตพังอุทานะวิปุละทายินาเอวังเขตะวโรนามะโยทธาติวิปุลังพลังมีความว่าพระพุทธบุตรเปรียบเหมือนนาพึงเป็นผู้ให้ผลอันไพ่บู์ด้วยประกอบความเพียรพระพุทธบุตรชื่อว่าเป็นเนื้อนา อันประเสริฐอย่างนี้ทายกผู้ใดถวายทานทายกผู้นั้นย่อมได้ผลอันไพยบู์ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งยาดับพิษงูสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชอง์การตร ถ, ถามองสองแหงยาดับพิษงูต่อไปพระนาคเษนจึงวิสัชนาว่ามหาราช ดุราณะบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่ายาดับพิษงูนั้นจะได้มีนอนเกิดขึ้นหาบ่ไม่ได้ยะถาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็อย่าให้นอนคือกิเลสเกิดขึ้นภายในได้มีครุวนาดังยาดับพิษงูฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งยาดับพิษงูเป็นปฐมปุณณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่า มหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยาดับพิษงูนั้นเมื่องูร้ายกัดคนทั้งหลายครั้นทายางูนั้นเข้าแล้วพิษงูก็หายไปยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายพึงพิจารณากรรมจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะทิฐิทั้งหลายดุดยาดับพิษงูฉันนั้น นี่แหละเป็นองค์แห่งยาดับพิษงูคำรบสองยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระบรมโลกุตมาอาจารย์ประธานพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าสังขารานังสภาวังทัตถูกกาเมณโยคีนาอะคเทเนวะพวิตพังกิเลสวิสนาสนีมีความว่าพระโยคาวจรเจ้า มีความปรารถนาจะเห็นซึ่งสภาวะความเป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายพึงกำจัดเสียซึ่งพิษแห่งงูคือหมู่กิเลสดุจ ด, ดับพิษยางูนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งภูชนะสามประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนา ข้าแต่พระนาเคเษนผู้ปรีชาอันว่าองค์สามแห่งผูชนะนั้นประการใดพระนาเคเษนจึงแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐโูชนัางนามะชื่ออันว่าโูชนะย่อมอุปธรรมเลี้ยงชีวิตสัตว์ไว้ยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงอุปธรรมแก่สัตว์ทั้งหลาย ดุดโภชนะฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งโภชนะเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐโภชนะนั้นย่อมยังกำลังสัตว์ให้เจริญยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงยังกำลังคือบุญให้จำเริญแก่สัตว์ ดุดโพชนะอันให้สัตว์เกิดกำลังฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งโภชนะคำรบสองปุณาจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐโภชนะเป็นที่ปรารถนาแก่สัตว์ทั้งปวงยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าเป็นที่ปรารถนาแห่งโลกทั้งปวง ดุดภูชนะอันเป็นที่ปรารถนาแห่งสัตว์โลกทั้งปวงฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งภูชนะคำรบสามยุติด้วยคำที่พระโมคคะราชาเถระเจ้ากล่าวไว้ว่าส ก, กะสามันยังนิยเมนะสีเลนะปฏิปัติยาปัฏิเตนะภวิตพังสัพพโลกัสะโยคินาแปลความว่าพระภิกษุโยคาวจร พึ่อนิยมที่จะตั้งอยู่ในภาวะที่ตนเป็นสมณะประกอบไปด้วยศีลและปฏิบัติก็จะเป็นที่ปรารถนาแห่งโลกทั้งปวงดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งนายขมังธนูห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยองค์ห้าแห่งนายขมังธนูต่อไปพระนาคเกษจึงแก้ไขว่า มหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอิสัตโกนามะชื่อว่านายขมังธนูนั้นสเรปาตยันโตเมื่อยิงไปซึ่งลูกศรจึงยันเท้าทั้งสองกับพื้นให้มั่นตั้งข่าไว้ไม่ให้หวันไหวยกคันธนูขึ้นเสมอหูตั้งกายให้เป็นหลักไม่โยกโคลงโน้มน้าวมาด้วยมือทั้งสองจับไว้มั่นคง แล้วกระทําลูกสอนในระหว่างนิ้วมือเอี้ยวคอหลิวตาและบุ้ยปากถือเอานิมิตรเล็งให้เที่ยงตรงยังความยินดีให้เกิดว่าอัตมาจะยิงไปบัดนี้ยะถามีกรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงตั้งไว้ซึ่งเท้าคือความเพียรเหนือปัถพีกล่าวคือศีลให้มั่น พึงกระทำซึ่งน้ำใจดีและขันตีอดใจอย่าให้หวาดไหวพึงตั้งจิตไว้ในสํารวมพึงนำตนไปในที่ควรจะสํารวมพึงกาจัดเสียซึ่งยินดีและยินร้ายพึงกระทำปัญญาอยู่นิโสมนสิการไว้ในระหว่างจิตพึงประคองไว้ซึ่งวิริยะปกปิดเสียซึ่งทวารทั้งหกตั้งไวซึ่งสติแล้วพึงยังความยินดีใหเกิดว่า อาตมาจะยิงบัตรนี้ซึ่งกิเลส ท, ทั้งหลายฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนายขมังธนูเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดานายขมังธนูนั้นย่อมสแสวงหาสงวนไม้ง่ามไว้สำหรับดัดลูกศรที่คดค้อมให้เที่ยงตรงยะถามีขรุวนาฉันใด พระโยคาวาจรเจ้าก็รักษาไม้งามคือสติปัฐานไว้ดัดจิตที่คดคอมให้เที่ยงตรงดุดนายขมังธนูอันดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนายขมังธนูคำรบสองปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐนายขมังธนูเพ่งยิงเอาแต่ที่หมายเหมือนดังนั้น คือให้เพ่งเล็งเห็นอ น, นิจจโตโดยไม่เที่ยงทุกขโตมีทุกขโรขโตมีโรคคันธตโตร้อยกรองเกี่ยวอยู่ในสงสารสัน ล, ละโตเป็นปืนพิษอคขโตทุกลำบากอาพาทโตมีแต่เจ็บไข้ประโลกโตมีแต่จะตายบ่ายหน้าไปปรโรกอิติโตมีแต่อันตราย พระยะโตมีภัยอุปสักคะโตมีอุปสรคขัดข้องอทุวโตมิได้ยั่งยืนอนัตตะโตใช่ตัวตนอเลนะโตหาที่ซ่อนมิได้อตาณะโตหาที่ต่อต้านมิได้อสาระโตหาเป็นที่ระลึกได้ใหมอสารณีภูตะโตหามีสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งไหมคุชโตน่าเกลียด สุญญะโตศูนย์เปล่าอาธีนวะโตมีโทษวิปรินามะโตแปรปรวนอสาระโตหาแก่นสารไม่ได้พยมูละโตเป็นมูลให้เกิดภัยวัฏกะโตจะมีแต่ค่าฟันวิภาวะโตไม่มีความจำเริญสาสังกะโตมีความรังเกียจสังคตะโตมีปัจจัยประชุมตกแต่ง มารมิสโตเจือไปด้วยมารชาติธรรมโตมีแต่จะเกิดพยาธิธรรมโตมีความเจ็บไข้เป็นนิดชาราธรรมโตถึงภาวะแก่เท่าชารามารณะธรรมโตครั้นแล้วก็จะตายไปหาแก่นสารไม่ได้ทั้งประกอบไปด้วยโสกะปริเทวนาร่ำให้สะอื้นอาลัยอยู่ในภพทั้งสามย่อมมีโทษเป็นอันมากชนิด พระโยคาวาจอนเจ้าท่านก็พิจารณาเพ่งดูดุทนายขมังธนูเพ่งเล็งเป้าอันเป็นหลักที่จะยิงฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนายขมังธนูคำรบสามปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐนายขมังธนูนั้นย่อมฝึกยิงธนูในเวลาเช้าเวลาเย็นมิได้ขาด ยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็าพึงพิจารณาน้ำใจของอัตมาโดยอารมณ์ทุกเวลาเช้าเวลาเย็นดุดนายขมังธนูอันฝึกหัดยิงธนูฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนายขมังธนูคำรบสี่ยุติ ด, ด้วยคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่ายะถาอิสัท ธ, ธโกนามะ สายังปาตังอุปาสติอุปาสนาณรินชันโตละพติพัตเเวตนังตเทวพุทธปุตโตปิกรโรติกายุปาสนังกายุปาสนางนรินชันโตอรหัตตังอธิคัตฉติมีความว่าอิสัตธโกนามะชื่ออันว่านายขมังธนูอุปาสติย่อมจะยัดยิงธนูไปทุกเช้าเย็น จะได้เว้นละทิ้งเสียหาไม่ได้ละพติพัตเตเวตนังครั้นไปยิงถวายสมเด็จพระบรมกษัตริย์ก็แม่นแท้ดังฝึกไว้ย่อมได้รับพระราชทานรางวัลเป็นที่ปลื้มใจร่ำรวยทรัพย์ยะถามีครุวนาชันใดพุทธปุตโตปิแม้อันว่าพระโยคาวาจรผู้เป็นพุทธบุตรมากระทำการฝึกกายของตนให้ชำนิชำนาญแล้ว เมื่อปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็กระทำกายของตนเหมือนที่ฝึกไว้อรหัตตังอธิคัตชติจะได้รางวัลคือพระอรหัตที่คุณอันประเสริฐดุจนายขมังธนูอันได้รางวัลฉันนั้นดังนี้ขอถวายพระพรจบอิสทธะปัญหาที่ห้าในกลุ่มพวักที่เจ็ดเพียงเท่านี้มิลินท ป, ปัญหา ที่เป็นอาคตะปัญหาในคำพีนี้์นี้262ปัญหาประดับไปด้วยกัน6กันจัดเป็น22วักจบเพียงนี้อันหนึ่งมิลินทัปปัญหานี้ยังเป็นอนาคตะปัญหามิได้มาในคำพีนี้อีก42ปัญหารวมทั้งที่มาและไม่ได้มาเป็น304ปัญหาแม้ทั้งหมดนี้ นับเข้าในมิลินทะปัญหาสิ้นมีเชิงอัดหลังข้อความที่ว่าจบอิตสัถถะปัญหาที่ห้าคือเข้าใจว่าใช้สังขยาผิดที่ถูกควรเป็นที่เจ็ดเพราะนับแต่ต้นวรรคที่เจ็ดนี้มาจนปัญหานี้เป็นที่เจ็ดหาใช่ที่ห้าไม่ตามที่ท่านบอกจบปัญหาไม่บอกจบวรรคดังข้างต้นนี้คงเป็นด้วยท่านมาเรียงไม่จบวรรค มาพักไว้กลางคันจะบอกจบวักไม่ได้จึงต้องบอกจบปัญหาจบเชิงอัดของข้อความจบอิสัตะปัญหาที่หมีเชิงอัดของข้อความที่ว่าในคำพีนี้์นี้262ปัญหาคือลองนับตรวจดูได้เพียง234ปัญหาเท่านั้นไม่ทราบว่าขาดไปด้วยเหตุใด หรือท่านจะนับข้อปัญหาซึ่งถามกันเป็นตอนๆในอนุมานะปัญหาที่8ในนวะมะวักแห่งเมนเดกะปัญหาเข้าด้วยลองสอบดูได้เพียง16ตอนเท่านั้นแม้บวกกันเข้าก็ยังไม่ครบนอกจากนี้มองไม่เห็นเขาที่ไหนเป็นอันยังไม่ได้ความชัดจบเชิงอัดในคำว่าในคำมีนี้์นี้2 6หปัญหามีเชิงอัด ของข้อความที่ว่าประดับไปด้วยการหกกันดังนี้การจัดกันในตอนต้นไม่ได้พูดถึงเพียงจะบอกไว้ในอารัมพะกถาว่าในมิรินทปัญหามีหกสถานคือปุพพะประโยคนสถานหนึ่งมิรินทปัญหาสถา น, นหาานึง่งเมนตกะปัญหาสถานหนึ่งอนุมานะปัญหาสถานหนึ่งลักษณะปัญหาสถานหนึ่งอุปมากถาปัญหาสถานหนึ่ง และอธิบายไว้ดังแจ้งอยู่ในอารัมภกถาหน้า 9-10 ถึงแต่เมื่อพิจารณาดูตามลักษณะที่แก้มาโดยลำดับเห็นว่าท่านวางคลากันไปเช่นและขณะปัญหาวางรวมในมิลินทะปัญหาอนุมาณปัญหารวมในเมนดกะปัญหาเป็นต้นยากที่จะแยกออกเป็นกันๆได้และการที่ตัดตอนในระหว่างบางแห่งเช่นโคตมีวัฏฐานปัญหา ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นส่วนไหนคงตกอยู่ในระวางน่าสงสัยแต่โดยความเข้าใจที่ว่าหกกันในที่นี้ก็คือหกสถานในอารัมภะถานั้นเองจบเชิงอัดของข้อความที่ว่าประดับไปด้วยกันหกกันมีเชิงอัดของข้อความที่ว่าจัดเป็น22วัก ค, คือตรวจได้23วักเกินไปหนึ่งวัก หรือท่านจะตัดอาวรกที่เจในอุปมากถาปัญหาอันยังกล่าวความไม่จบนั้นออกเสียถ้าเช่นนี้ได้จํานวนพอเหมาะกันไม่ขาดไม่เกินจบเชิงอัดข้อความที่ว่าจัดเป็น22่สิบวักมีเชิงอัดของข้อความที่ว่ามิได้มาในคำภีร์นี้อีก42ปัญหาดังนี้อนาคตะปัญหานี้คงหมายเอาข้อที่ว่าด้วยองค์ต่างๆ ซึ่งตั้งเป็นบทมาติกาไว้ในอุปมาคาถาปัญหาอันท่านแจกยังไม่ครบก็จบเสียคือแจกมาเพียงปัญหาที่เจในกลุ่มภาวะที่เจเท่านั้นตอนนั้นไปปล่อยค้างไว้ได้สอบดูในบทมาติกาคงได้ส่วนที่ยังค้างอยู่เพียง14ปัญหาคือในวรรคที่เจ็ดสามปัญหาวรรคที่ปดปัญหาวรรคที่9สิบอปัญหาวรรคที่สิบปัญหาวรรคที่สิบอเจปัญหา คาดจากจำนวนที่กล่าวนี้หนึ่งปัญหาจะตกลนอยู่ที่ตรงไหนไม่ได้ความจบเชิงอัดข้อความที่ว่าไม่ได้มาในคำภีนี้อีก42ปัญหามีเชิงอัดข้อความที่ว่ารวมทั้งที่มาและไม่ได้มาเป็น304ปัญหาดังนี้เมื่อความคลาดเคลื่อนเป็นมาดังที่กล่าวแล้วข้างต้นจำนวนก็ไม่เต็มเท่านี้ เพราะฉะนั้นเมื่อรวมอาคตะปัญหาและอนาคตะปัญหาเข้าคงได้เพียง275ปัญหาเท่านั้นขาดไป29ปัญหาไม่ได้เต็มตามจำนวนที่ว่า304ปัญหาจบเชิงอัดของข้อความที่ว่ารวมทั้งที่มาและไม่ได้มาเป็น304ปัญหา